เรื่องพระสัมมชนะเทระขยันกวาดลานวัดพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระส ม, มชนะเทระได้ยินว่าพระเทระเป็นคนขยันยอมเที่ยวกวาดลานวัดอยู่เนืองๆทั้งวันตลอดเช้าและเย็นพระเรวัตเทระเห็นพระเทระอยู่เนืองๆ พลางคิดว่าจัดให้โอวาดแดพระเทระนี้จึงกล่าวว่าภิกษุเที่ยวกวาดอยู่ตลอดทุกเวลาไม่สมควรก็การกวาดแต่เช้าตรู่ล้วออกบินทบาทกลับมาแล้วปฏิบัติเจริญสมณธรรมในที่นั่งพักกลางวันหรือที่พักกลางคืนสาธยายอาการ32ตั้งความสิ้นไปเสื่อมไปในอัตภาพร่างกายล้วจึงลุกขึ้นกวาดในเวลาเยน็นจึงควร พระสัมมณชนะเทระตั้งอยู่ในโอวาทแล้วไม่นานก็บรรลุอรหัตที่นั้นๆได้รกรุงรังแล้วภิกษุทั้งหลายพากันกล่าวว่าเพราะเหตุไรพระสัมณชนะจึงไม่กวาดพระเทระกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมทําแล้วอย่างนั้นในเวลาที่ประมาทบัดนี้กระผมเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดา ว, ว่าพระเทระพยากรอรหัต พระสาสดาทรงตรัสรับรองตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบุตรของเราเที่ยวกวาดอยู่ในเวลาประมาทในก่อนแต่บัดนี้บุตรของเรายับยั้งอยู่ด้วยความสุขซึ่งเกิดแต่มากผลจึงไม่กวาดดังนี้แล้วตรัสพระคถาว่าก็ผู้ใดประมาทในก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมอยังโลกนี้ให้สว่างได้เหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้น อธิบายคำว่าประมาทแล้วในก่อนเพราะเหตุด้วยการทำวัดและวัดตอบหรือด้วยการสัทธายาเป็นต้นภายหลังยับยั้งอยู่ด้วยความสงบซึ่งเกิดแต่มรรคผลชื่อว่ายอมไม่ประมาทในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหลหมายเหตุผู้อ่าน ให้สังเกตนะครับว่าท่านก็ยังกวาดอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่ได้กวาดทั้งวันกวาดแค่ช่วงเช้าและช่วงเย็นเท่านั้นคำว่ารกในที่นี้น่าจะเป็นเวลาระหว่างนั้นที่ท่านไม่ได้กวาดที่ต้องหมายเหตุทิ้งท้ายไว้ก็กลัวคนรุ่นใหม่ฟังแล้วจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องกวาดไม่ต้องทําความสะอาดวัดก็เลยทําให้วัดรกรุงรังสกปรกเป็นที่น่าเสื่อมศรัทธาแก่ญาติโยมและคนรุ่นหลังได้นะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย